พอเข้าใจไหมมีคําถามไหมนี่เขาให้เวลามีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งถามให้รีบถามนะถ้าไม่ถามดี๋ยอาตมาจะถามวิศนันท์พันจันท์ค่ะจะถามเรื่องการเียบเข้าไปในสัญญาอะค่ะเมื่อเรามีความรู้สึกชอบกับไม่ชอบมาเก็บไปในสัญญาแต่ถ้าความรู้สึกเฉยๆล่ะ เฉยๆถ้าไม่รู้ตัวนะก็เก็บความหลงเอาไว้เฉยๆเนี่ยคือเหม่อถ้ารู้ว่าเมื่อกี้มีอาการเหม่อคือใจลอยตอนนั้นได้มีสติรู้ลักษณะของโมหะแต่ถ้าเหม่ออยู่นึกว่าตอนนี้ดีแล้วสบายใจเพลินๆนี่คือเลอเพลินเผลอเพลินเนี่ยก็เก็บ เก็บอนุสัยตัว น, นี้เรียกว่าอาวิชานุสัยความไม่รู้ต้องใช้สั์สเทคนิคหน่อยแต่ตอนเก็บเป็นรู้ว่ามีราค่าเกิดขึ้นมีโทสะเกิดขึ้นเนี่ยเก็บเป็นสัญญาจําได้ว่าราค่าเป็นยังไงจําได้ว่าโทสะเป็นยังไงจนจําได้แม่นเนี่ยจะมีศัพท์เทคนิคภาษาบาลีว่าธิระสัญญาเคยได้ยินคำนี้ไหมธิระสัญญา ทิระคือมั่นคงหรือเสถียรจำได้จนมันแม่นจาจนแม่นเปรียบเหมือนกับที่เราจำเพื่อนได้จำจนแม่นคราวนี้พอมีกิเลสเกิดขึ้นมาไม่ตั้งใจดูเลยมันแต่มันแม่นแล้วมันแม่นบางท่านเนี่ยคุยธุรกิจนะคุยธุรกิจกับคู่แข่ง คู่แข่งคือตอนนั้นคุยแบบซีเรียสด้วยนะแล้วคู่แข่งก็กวนๆด้วยเพราะมันเป็นคู่แข่งกันโทสะก็เกิดแต่ด้วยทักษะที่ดูมาก็เห็นอะไรไม่รู้เกิดมาไม่ทันเรียกว่าโกรธหนอเพราะว่ากําลังคุยไม่มีเวลาจะไปไม่มีเวลาจะไปบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันกําลังกําลังมีงานอยู่ เห็นมีอะไรเกิดขึ้นก็แต่ด้วยทักษะที่ดูมาเห็นมีอะไรเกิดขึ้นมันเห็นเองเห็นมาแว๊บๆแต่ไม่ไปใส่ใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันมีงานอยู่ตรงหน้าตรงนั้นน่ะเกิดมรรคผลเพราะไม่ตั้งใจดูแต่พอผ่านตรงนั้นไปนะรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติไอ้คนที่เจรจาอยู่ด้วยที่เป็นศัตรูกันเนี่ยนะพี่ พี่ไปทาพี่ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเนี่ยขนาดมันเป็นสตรูนมันยังมันยังเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนไปอะ่ะดูพี่เบิกบานมากเลยพี่ผ่องใสมากเลยทักนี้เลยนะไม่ใช่อาตมานะโยมนี่แหละไม่ได้บวชแต่ต้องมาจากการฝึกนะ ไม่ใช่อยู่ๆไปคุยยั่วโกรธใครแล้วก็ให้เขายั่วทียั่วทียั่ว ท, วทีไม่เกิดนะมันมาจากทักษะนะตอนนั้นเนะี่ยไม่ไม่ตั้งใจจะดูแต่มีทักษะในการดูเป็นแม่บ้านบางคนเป็นแม่บ้านแม่บ้านก็ทํางานดูแลสามีดูแลลูกดูแลกิจการอะไรด้วยแล้วก็ยังดูแลบ้านด้วยแต่ก็พอรู้ว่าวิธีฝึกก็ฝึกอย่างนี้ดูกิเลส อย่างนี้แล้วก็ตั้งใจสิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่ได้ผลเลยนะคือเขาแบ่งเวลาไปทาเป็นประจาทุกวันที่บ้านวันไหนไม่อยู่บ้านเช่นมาอยู่โรงแรมก็ทำที่โรงแรมไม่ใช่ว่า เ, ออเดี๋ยวฉันต้องกลับกลับไปทาที่บ้านไม่ใช่อย่างนั้นนะแบ่งเวลาทำให้เป็นประจาอย่างน้อยส5บนาทีน้อยกว่านี้รู้สึกมันจิ๊บจอยเกินไป ให้มันได้สักสบห้านาทีเหมือนเวลาเขาออกกำลังกายใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรที twenty five <c oughs> <c oughs> มันต้องให้ได้ระดับหนึ่งอะ่ะมันถึงจะได้ผลเวลาเราทำฝึกฝึกสติฝึกสมาธิฝึกในรูปแบบที่บ้านนนะฝึกน้อยเกินไปมันก็ไม่ค่อยได้ผลเอาให้ได้สักสบห้านาทีเป็นต้นไปเราจะเรียกว่าอะไรดีที 15ิปชนทำอย่างนี้นะแต่มันจะจะยาวกว่านี้ก็ช่างมันจะได้เวลาระยะเวลายาวกว่านี้ก็ช่างมันถือว่าเป็นกำไรแต่ให้อย่างไน้อยสิบห้านาทียาวสั้นแค่ไหนเนี่ยไม่ค่อยสำคัญเท่ากับว่าประจำ <c oughs> ความเป็นประจำในการฝึกมันจะได้วินัยด้วยจิตจะรู้สึกว่า ถ้ามันมันจะมีความสบายใจอย่างหนึ่งคือว่าถ้าวันนี้เราเผลอไปเลยนะเหมือนไม่ได้ฝึกอะไรเลยเนะี่ยมันยังอุ่นใจได้ว่าอย่างน้อยกูมี15นาทีว่าวันนี้เข้าใจไหมวันนี้เราเพลินไปเลยไม่ได้ทําอะไรเลยเวลาเจอเพื่อนก็เมาสแตกอยกลับบ้านอย่างน้อยๆมี15นาทีแบ่งเวลานะเวลาที่เหมาะกับเราเนี่ยอาจจะเป็นตอนค่ําตอนเย็น หรืออาจจะเป็นตอนเช้าตื่นขึ้นเร็วขึ้นอีกหน่อยอีก15นาทีแบ่งเวลาต้องทําให้ได้ต้องแบ่งเวลาให้ได้นะอันนี้เป็นเป็นเวลาที่พัฒนาตัวเองผู้ที่ได้ประโยชน์คือตัวเองไม่ใช่พภพเจ้าไม่ใช่ประสงค์ไม่ใช่พระธระมรไมรไม่ใช่ใครคือคนฝึกเองได้ประโยชน์เองแล้วมาช่วยกันเป็นพยานมาช่วยกันเป็นพยานว่า ฝึกแล้วได้ผลจริงช่วยก็เป็นพยานว่าสิ่งที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะแสดงแล้วได้ผลจริงทําตามแล้วเห็นจริงมาเป็นพยานร่วมกันเป็นพยานรับสมัครพยานไม่จํากัดจํานวนไม่จํากัดอัตราสิ่งที่ฝากไว้นะ จบจะคอร์สนี้แล้วคือกลับไปทำรูปแบบเป็นให้เป็นประจำแล้วในระหว่างวันในระหว่างวันเอาทักษะในการทำนั้นนะมาดูกิเลสเพราะกิเลสไม่ได้รอตอนที่เรานั่งสมาธิไม่ได้รอตอนเราเดินจงกรม